ต่อไปข้อ10บสัตมีวิพัฒน์ในอัตการะก็คืออัตการะสัตมีนั่นเองแปลในเวลาแปลว่าในกาลมันเป็นคำที่จะต้องแปลให้เป็นการเป็นเวลานะอย่างเช่นยามเช้ายามสายยามบ่ายกลางคืนกลางวันการในอดีตการในปัจจุบันเวลานั้นเวลานี้อะไรอย่างนี้ดูตัวอย่างข้อ1ปุพพันหะสมยัยปุพพันหะสมยขโต ปุพันหามาจากคํสามคําเข้าสมาดอยู่คือปุพหะปุพหะแปลว่าเบื้องต้นเบื้องแรกก่อนข้างหน้านแล้วก็อันหาเนี่ยมาจากอะหะอะหะแปลว่าวั น, นปุพังบวกอะหะแล้วก็มีคาณาเทศนีหิตเป็นณนะแล้วก็สมยะก็แปลว่าเวลาสมัยสัตมีแปลว่าใน ในสมัยในเวลาก็คือในเวลาเช้าของวันในเวลาเริ่มต้นของวันปุพพันแปลว่าเบื้องต้นและอาหาแปลว่าวันนะสมัยะแปลว่าเวลาแปลว่าสมัยในเวลาเช้าของวันแต่สำนวนแปลเขาก็ไม่ได้แปลว่าของวันหรอกในเวลาเช้าเท่านี้แหละในเวลาเวลาเบื้องต้นของวัน ถ้าท่ามกลางของวันก็กลางวันตอนสายถ้าเบื้องหลังของวันก็ตอนเย็นในนี้ท่านบอกว่าในเวลาเบื้องต้นของวันสำนวนสนามหลวงเขาแปลว่าในสมัยอันเป็นเบื้องต้นแห่งวันในสมัยอันเป็นเบื้องต้นแห่งวันของเราก็แปลว่าในเวลาเช้าปุพันหาสมเยในเวลาเช้าข้าโตไปแล้วใครก็ตามเขา โศเขาขัโตไปแล้วเขาไปตั้งแต่เช้าพูดง่าย mm. ๆเขาถามว่าไปเมื่อไร่แล้วก็บอกปูพันหัสสมาเยขัโตไปตั้งแต่เช้านอกจากปูพันหัสสมาเยเนี่ยก่อนหน้านี้เราเคยใช้คํานี้บาดว่าป่าโตป่าโตก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าไม่ใช้ปูพันหัสสมาเยนะเอาสมาเยออกเอาปุบพันเหก็ใช้ได้เหมือนกันปุบพันเห อย่างในคำว่าปุพันเถปินตะปาตันจะสายันเถรธรรมเทสนังอย่างนั้นปุพันเถปุพันหะสมะเยแปลเหมือนเดิมว่าในเวลาเช้าปุพันเถปุพันหะสมะเยขาโตไปแล้วในเวลาเช้าข้อสองสาญหะสมะเยหรือสายันเถรสาญเนี่ยแปลว่าเย็นอาหะแปลว่าวันสายันหะยิงแปลว่าเวลาเย็น เวลาเย็นแห่งวันเราก็แปลว่าเวลาเย็นเฉยๆสายันหสมัยยในเวลาเย็นอาคโตมาแล้วไปตอนเช้ากลับมาตอนเย็นอย่างเรานเนี่ยเนี่ยออกมาตั้งตอนเช้ากลับก็ตอนเย็นนู่นแหละใครออกมาก่อนสว่างมั้งอยู่หนีม่มไหมออกมาก่อนทุ่งยมากี่โมงตีหสว่างแล้วตีห ระวังพรรษาขาดนะออกมาก่อนสว่างพระนี่ออกก่อนสว่างไม่ได้พรรษาขาดถ้าไปเห็นพระวันไหนออกวินทบาทก่อนสว่างนะในพรรษานะไปทักทวงได้เลยท่านออกมาทำไมแต่เช้ามืดพรรษาขาดเพราะว่าเวลาที่ในช่วงขา้าวพรรษาเนี่ยนะกำหนดระยะวันเนี่ยนะกาหนดระยะว่าครบรอปลาตรีก็คือหลังจาก อรุณขึ้นถ้าออกแล้วกลับมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ ไ, ไชปเหยียบอะไรที่มันผิดพลาดไม่ใช่คือการนับรอยต่อระหว่างวันกับวันท่านจะเอารอยต่อตอนรุ่งสางตอนอรุณขึ้นรอยต่อระหว่างก่อนสว่างกับสว่างแล้วเนี่ยเป็นคนละวันกันก่อนสว่างเป็นวันก่อนพอสว่างแล้วเป็นวันหลังดังนั้นถ้าออกก่อนสว่างแล้วไปสว่างอยู่นอกวัดเนี่ยนะนั่นคือ วันแรกนั้นน่ะแปลว่าไม่ได้อยู่ในวัดดนั้นเท่ากับว่าไม่ได้อยู่ในวัดในีหนึ่งวันเพราะมันขาดวัน <c oughs> จะอยู่หรือไม่อยู่ช่วงไหนก็ช่างแต่ว่าช่วงร้อยต่อระหว่างวันเนี่ยต้องอยู่ออกไปช่วงร้อยต่อของวันคือชื่อว่าไม่ได้อยู่ถ้าไม่ได้อยู่ก็ถือว่าไปไปค้างคืนที่อื่นพรรษาขาด ถ้าสว่างล้วค่อยไปก็ได้หรือหรือถ้าออกไปก่อนสว่างนะต้องกลับเข้ามาถึงวัดก่อนสว่างก็ใช้ได้ไม่ถือว่าผิดใช่เฉพาะในพรรษาเฉพาะช่วงจำพรรษาไม่นับครับนับไม่ได้ขาดแล้วก็ไม่นับนับปีได้ครับแต่พรรษาได้ได้ว่าจะนับว่าพรรษาเพื่อจะให้ได้อานิสงส์ของการพรรษาไม่ได้แต่ถ้าจะนับว่าท่านบวชมากี่พรรษาพรานับได้ไหมนับได้ครับ เรว่าพรรษาขาดนี่หมายถึงว่าจะไม่ได้อานิสง์การอยู่จำพรรษาอ๋อแต่ว่าแตนับเป็นอ๋อนับนับได้ครับนับจํานวนพรรษาประบวตกี่พรรษากี่พรรษานับได้ไม่ใช่พรรษานี้ขาดพรรษายี่บพรรษาหรือสิบเก้าพรรษาไม่ใช่นับว่ายี่สิบเหมือนเดิมแต่ว่าจะไม่ได้อนิสง์การอยู่จำพรรษาเท่านั้นนหะดูต่อไปข้อสามอกาเลเทโววัตสติการเลนะวัตสติเทโว วัตสติเคยแปลมาครั้งหนึ่งแล้วละ่ะอ่าแปลว่าฝนตกเทโวแปลว่าฝนวัตสติย่อมตกอากาเลในเวลามิใช่การในเวลาไม่ถูกการในเวลาไม่เป็นการหรือแปลว่านอกการนอกฤดูกาลฝนตกนอกฤดูกาลอย่างปัจจุบันเนี้ยฤดูเริ่มจะเปลี่ยนแปลงไป นอฤดูฝนฝนก็ตกเพราะฤดูฝนก็แห้งแล้งกาเลนวัตติณนะวัตติย่อมไม่ตกกาเลในฤดูการฝนตกนอกฤดูการแต่ไม่ตกในฤดูการจะเป็นอย่างนี้ก็ในกรณีมีเหตุอยู่อย่างหนึ่งถ้าโบราณเนะี่ยก็จะบอกว่าพระราชาปกครองแผ่นดินไม่เป็นธรรมมีเหตุอาเพศใดๆเกิดขึ้นก็ตามพระราชาผู้ปกครองบ้านเมืองจะพิจารณาตนก่อนว่าเราทําอะไรผิด เช่นดวงอาทิตย์ขึ้นไม่ตรงเวลาหรือไม่ก็เกิดฝนแรงพระราชาต้องพิจารณาตัวเองว่าเราปกครองบ้านเมืองไม่เป็นธรรมเบียดเบีย น, ป ร, ย น, ป, รยนประชารชานหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นข้อ4พุทธมาสัมมหาตีสุมาเสสุเวสาขมาโสเวสาขมาโสเดือนพฤษภาเดือนห เดือนพฤษภาคมหรือเดือนหหรือเดือนเวสาขะเวสาขาเนี่เป็นชื่อเดือนเลยนะแต่ถ้าไม่ใช่เดือนวิสาขาเนี่เป็นชื่อดาวถ้าเวีสาขะชื่อเดือนถ้าวิสาขะชื่อดาวมาเสสุโหติใส่เข้ามาก็ได้นะไม่มีคริยาแล้วก็ใส่สามัญญักษ์คติยาโหติมาโหติมีอยู่มาเสในเดือนมาเสในเดือนตีสุ สามในเดือนสามหรือในเดือนที่สามพุทธมาสัมมหาจากเดือนพุทธะเดือนพุทธกคือเดือนยี่นับจากเดือนยี่ไปถึงเดือนวิสาขาเนี่ยสามเดือนจากเดือนยี่ไปเดือนหกสามเดือนใช่ไหมนับสิยี่แล้วก็เดือนสามเดือนสี่เดือนห้าืองไงก็เดือนพุทธะก็ไม่ต้องนับเดือนวิสาขะไม่ต้องนับเพราะมันเป็นชื่อเดือนแล้ว มันจะห่างกันอยู่สามเดือนแต่ถ้านาเรานับรวมมันก็จะกลายเป็นห้าเดือนใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราทำงานตั้งแต่เดือนยี่จนถึงเดือนหกนี่คือห้าเดือนแต่ถ้าตั้งแต่ระหว่างเดือนยี่ถึงเดือนหกนี่มีกี่เดือนแล้วก็บอกว่ามีสามเดือนหลังจากเดือนยี่ไปสามเดือนก็เป็นเดือนเวสากะเดือนหกเดือนพฤษภาคมชื่อเดือนภาษาบาลีว่ายังไงบ้างรู้บ้างไหมยังเลยนะ เดี๋ยววันนี้จะเอาเดือนมาให้เดือนในอภิษานนี่แหละเรียนระดับที่สองได้ได้หนังสือเล่มนี้พอเราเริ่มถ้าวิสาขาในเป็นชื่อของดาวเดือนระหว่างเดือนเนี่ยนะเดือนไหนจะมีชื่อว่าอย่างไรโดยอาศัยดวงจันทร์ช่วงเดือนนั้นนะมีดาวชื่ออะไรมาโคโจรอยู่เคียงคู่อา้าวถ้าเราเรียนแล้วเราจะชอบไปแงนดู ยังยังช่วงเดือนวิสาขะเนี่ยนะเป็นช่วงที่ท้องฟ้าแจ่มใสดีก็แงนไปดูท้องฟ้ามันจะมีดาวดวงหนึ่งที่สว่างเจิดจ้ากว่าดาวอื่นอ่ะนะมันจะอยู่ใกล้ดวงจันทร์นั่นแหะคือดาววิสาขะช่วงเดือนอื่นๆก็เหมือนกันจะมีดาวที่มันโคจรพอกลขึ้นพอขึ้น1ค่ำสองค่าเนี่ยดาวนี้เขาจะอยู่ห่างห่งห่า ง, างแล้วก็จะขยับชิดเข้ามาชิดเข้ามาชิดมาพอถึงวันเพลนเดือนนั้นนน่ยดาวดวงสว่างเนี่ยก็จะโคจรมาชิดกับดวงจันทร์ เวลานับเดือนของภาษาบาลีท่านจะเริมนับเดือนที่หนึ่งคือเดือนห้าเดือนห้าเดือนห้าเนี่ยอยู่ในระหว่างกลางเดือนกลางเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคมที่ใช้คําว่ากลางเดือนเนี่ยมันไม่แน่ว่ากลางเดือนในนี้ไม่ได้หมายถึงว่าวันที่สิบห้าคำว่ากลางเดือนเนี่ยนะไม่ใช่หมายถึงว่าที่สิบห้าสิบหกนั่นหมายถึงว่าวันขึ้นหนึ่งค่ำเพราะเดือนเนี่ย เอางี้ล้กันใครนับเดือนยังไม่ถูกเอาเดือ น, นจันทรคติเนี่ยเดือนไทยเนี่ยต้นเดือนคือวันขึ้นหนึ่งคำ่ำถูกไหมสิ้นเดือนคือวันดับแรมสิบสี่แรมสิบห้าค่ำเดือนขี่แรมสิบห้าค่ไอ้เดือนขี่แรมสี่ค่ำเดือนคู่แรมสิบห้าค่ำข้างขึ้นจนถึงข้างแรมเป็นหนึ่งเดือนโดยนับข้างขึ้นเนี่ยเป็น เป็นเป็นต้นเดือนหรือเป็นเขาเรียกว่าคนนับโบราณเขาแบบว่าข้างขึ้นเนี่ยเป็นปากเดือนวันหนึ่งค่ำในเขาเรียกว่าวานันปากเดือนแล้วก็วันดับเขาเรียกว่าวันเดือนวันเดือนดับคือวันสิ้นเดือนดังนั้นเวลานับนะเวลานับเนี่ยข้างขึ้นข้างแรมกับนับเดือนแบบสมัยใหม่แบบสุริยคติเนี่ยมันจะมาตรงกันอยู่ระหว่างกลางๆงเดือนดังนั้นต้นเดือนก็อยู่อยู่ในกลางเดือน กลางเดือนหนึ่งไปถึงอีกกลางเดือนหนึ่งดังนั้นระหว่างเดือนหกเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ส่วนใหญ่ก็จะกลางเดือนพฤษภาถึงกลางเดือนมิถุนาเนี่เป็นเดือนหกแต่ว่าบาลีท่านจะเริ่มนับเดือนห้าเป็นเดือนแรกเดือนห้ากลางเดือนพฤษภาถึงกลางเดือนกลางเดือนเมษาถึงกลางเดือนพฤษภาเดือนห้าบาลีนับว่าจิตตะจิตตะที่แปลว่าจิตเนี่ยจิตตะ จิตตะเนี่ยเป็นชื่อของดาวเดือนไหนที่มีดาวจิตตะโคจรมาอยู่ให้ใกล้เดือนนั้นก็จึงเรียกว่าเดือนจิตตะส่วนกลุ่มดาวที่เป็นกลุ่มดาวราศีประจำเดือนจิตตะเนี่ยคือเมษะกลุ่มดาวเมษะเมษเนี่ยแปลว่าแพะดาวแพะนั่นนับราศีนะตอนนี้มันจะมีดาวดวงเดียวกับดาวกลุ่มนะถ้าดาวดวงเดียวเนี่ยเรียกว่าดาวจิตตะ ถ้าดาวกลุ่มเนี่ยเรียกว่าดาวเมษาเอางี้ลกันเรานับชื่อเดือนทั้ง12เดือนก่อนเริ่มต้นลำดับที่หนึ่งเดือนห้าดาวจิตตะชื่อเดือนว่าเดือนจิตตะหนึ่งจิตตะเดือนห้าสองเวสาขเดือนหกเวสาขเดือนหกสาเชษฐะต่อประตะทอฐานเชษฐะเดือนเจ็ด เชตเถเดือน7จ็ีอาสาหะเดือน8อาสาหะเดือน8 5สาวะนะสาวะนะนอนเณรสาวนะนน เ, วนะเดือน9 6โปฏะปาทะโปฏตปตักแล้วก็ถ่ฐานสลาโอปปาตประตักถฐานปปสาสลาอถทหารโปฏะปาทะ โธปะทะเดือน10 7อัศยุชะอัศที่แปลว่าม้าน่ะส่อเสือสองตัวอัศแล้วก็ยุชะอัศยุชะเดือน11 8กติกาต่ต่ตัวกติกากติกาเดือน12กติกาเดือน12 9มาคศิงระมาคคอควายสิงระมาคศิงระเดือนอ้เดือน1แล้วกันเดือน1 10. พุธษธศพุธษธศพุธษธศอย่างในประโยคบาลีเมื่อกี้ตั้งแต่เดือนพุสาศพุธษธศเดือนยี่หรือเดือน2 11มาคคอละขัง เดือนมาฆะนะ่ะมาฆะบูชาเนะี่ยเดือนมาฆะเดือนส12สบสองผักคุณนะผอพึ่งคอควายสองตัวแล้วก็นอนเนนผักคุณะนะผนะักคุณนะผักคุณะนี่เดือนสเนี่ยเป็นเดือน12บเดือนตามบาลีเดือนเจเดือนเจดเชตถาลำดับที่สใช่ไหม ลำดับที่สามเชตทะเชตะชอช้างสเอชอช้า ง, ง, ง, งต่อปตัดทอฐานเหมือนพระเชษทะอย่างน้นพระเชตะเดือนแปดเลยอาสันหะเก้ามาฆะสิงระเก้าลำดับเก้าหรือเดือนเก้าทั้งเก้าเฉยเดือนนะเดือนเก้าสาวะนะนะลำดับที่ห้าครับมีเขาเรียกอาธาิกะถ้าแปดสองครั้งจะเป็นอธิกะเฉย เดือนแเป็น8ที่เป็นอธิกอารสารหะอธิการสารหะถ้าเป็นจันทรคติตรงกันปัจจุบันนี้ตรงกันมีสองปีมาเนี้ยไทยนับวันผิดไทยวัด น, น, นับวันผิดที่อื่นเขานับถูกหมดไทยนับผิดปีนี้ด้วยปีกลายกับปีนี้สองปีผิดหนึ่งวันผิดหนึ่งวันเรานับก่อนเขาหนึ่งวัน เขาก็โหลาสาบแบบไทยเขาก็ยอมรับเขาก็ออกมายอมรับผิดแล้วว่านับผิดก็ยังใช้อยู่ไปอีทินก็ยังนับผิดวันพระเนี่ยผิดวันอยู่วันพระต้องวันนี้มันเป็นเศษวันครับเขาเรียกว่าเศษวันคือนับรอบสี่ปีมันจะมีเศษวันได้หนึ่งเดือนพอดีครับแต่ถ้านับไม่ให้มีเศษก็ต้องนับเดือนพฤษเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยให้ได้สามสิบวันแล้วก็นับเดือนอื่นๆอีกให้ได้สามสิบวัน ให้เป็นสาม 11, 3, 1ิบเเอเท่ากันหมดแต่ก็ยังเศษอยู่แต่มันจะเศษไม่ลงเดือนมันจะกลายเป็นเศษ10บวันอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเวลาคานับเนี่ยเขาจะไม่เอาเอาลำดับวันไปเรื่อยๆไม่ใช่แต่เขาจะเอาที่ดวงดาวนะครับเมื่อนับถึงวันวันเพนจริงเนี่ยดาวนั้นอะ่ะมาคู่ดวงจันทร์จริงหรือเปล่าถ้าไม่จริงก็นับให้มันตรงครับนับให้ตรง ถ้าเรานับตามลำดับวันไปเรื่อยเนี่ยนะอย่างเช่นดาวเวสเดือนเวสาขาเนี่ยเดือนหงษ์เนี่ยไอดาวที่มาโคจรคู่ดวงจันทร์มันไ ม, ไม่ใช่ดาวเวสาขะหรือใช่ก็มันอยู่ห่างมันไม่มาชิดพอวันที่ดาวมาชิดดวงจันทร์อาจจะเป็นวันแรง8ปดขั้มอะไรเนี่ยซึ่งมันผิดหลักการนับนั่นก็จะเป็นเศษวันที่ทดจากปีนั้นปีนี้ปีนี้ปีนี้เสร็จแล้วก็ไปเพิ่มเดือนหนึ่งในรอบ4ปีได้เพิ่มเดือนหนึ่ง วันวันวันแรมสิบสี่สิบห้าค่ำเดือนดับมืดสนิทวันที่มืดสนิทวันที่ดวงจันทร์ถูกบังมิดพอดีแล้วส่วนดาวเลิกดาวอะไรไปหาดูเอาตามนิตยสารต่างๆก็มีเะหนังสือพิมพ์รายวันก็มีรนะาศีไหนราศีไหนใครเกิดราศีไหนจากเดือนยี่พันแปลว่าอย่างนี้ เดือนหกเนี่ยนะเดือนหกเนี่ยอยู่ในลำดับที่สามอยู่เป็นเดือนที่สามจากเดือนยี่หรือถ้าจะแปลว่าหารอย่างที่แปลงนะก็ได้ว่าจากเดือนยี่อีกสามเดือนสามเดือนจากเดือนยี่เนี่ยเป็นเดือนหกหรือว่าเดือนยี่กับเดือนหกห่างกันสามเดือนเดือนยี่กับเดือนหกห่างสามเดือนเวสาะมาโสเดือนหกโหติมีอยู่ มาเสในเดือนทั้งหลายปีสุสามเดือนหกมีอยู่ในเดือนทั้งหลายสามพุทธมาสัมมาจากเดือนยี่จากจากเดือนยี่ถึงเดือนหกมีสามเดือนอคือเดือนยี่ก็ไม่ต้องนับเดือนหกก็ไม่ต้องนับก็จะนับได้สามเดือนอ๋อไม่ใช่ให้ยากนะคือถ้า การกำหนดนับเดือนเนี <ing four> <ates> ่ยนะถ้าไม่บอกเอาไว้ให้ชัดเจนเนี่ยก็เลยจะสลับเดือนผิดถูกผิดได้อย่างเดือนหกเนี่ยที่ถามว่าเดือนยี่กับเดือนหกห่างกันสามเดือนเนี่ยพูดมาทําไมคือการนับเดือนเวสสาขะกับนับเดือนพุษธศเนี่ยนะมันมีการนับที่มีความแตกต่างกันเวลานับแบบจันทรคติเนี่ยจะนับแตกต่างกันส่วนของเราก็จะมาอยู่ที่เดือนอะไรนะเดือนกุมภาพันธ์ใช่ไหม เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันจะนับวันไม่เหมือนเดือนอื่นเขามันจะลงที่ 28, 29ไม่เต็มแล้วก็เวลาการนับเดือน30วันกับเดือน31วันของไทยท่านจะใช้คำา2คคำที่แตกต่างกันถ้าใช้อายุนเนี่ยสาวันถ้าใช้อาคมเนี่ยสาอวันซึ่งอายุนกับอาคมแปลเหมือนกันว่ามา มาอะไรมาดวงเดือนที่มีดาวชื่อนี้มาหาอย่างมา ก, กราคมเนี่ยเป็นดาวมากรณะกลุ่มดาวกลุ่มดาวอะไรนะกลุ่มดาวมังกรเนี่ยโคจรมาใกล้ดวงจันทร์แล้ว น, นะครับาอาคมอายนเนี่ยแปลเหมือนกันแปลว่ากลุ่มดาวชื่อนี้ชื่อนี้มาโคจรใกล้กับดวงจันทร์ก็ตั้งชื่อนี้แต่ให้ต่างกันโดยใช้ยนใช้อายน์อาคมเพียงให้รู้ว่าอาย น, น์ในกําหนดให้มี30วัน สุดอาคมคำบอกให้มีสาสิบเอดวันแต่แปลว่ามาหาเหมือนกันระหว่างเดือนที่มีดาวชื่อเนี้ยมาหามาเยี่ยมส่วนกุมภาพันธ์เนี่ยมันไม่ลงยนและไม่ลงคมเพราะว่านับวันไม่ตรงกับเขานับวันไม่ครบไม่ครบสามสิบวันเฉพาะวันอาทิตกรมารลองแปลดูซิปุพันหะสมะเยฆโต ไปแล้วในเวลาเชา้าสายนหะสมยเยอาคโตมาแล้วในเวลาเย็นอากาเลเทโววั ส, สติกาเลนวั ส, สติฝนตกนอกฤดูกาลไม่ตกในฤดูกาล พุทดสมาสัมมหาติสุมาเสสุเวสาขมาโสเดือนหก ม, มีอยู่หลังจากมีอยู่ในเดือนที่สามหลังจากเดือนยี่อันนี้แปลว่าเดือนยี่กับเดือนหกอ่าเนี่ยกับแล้วแต่จะแปลแปลอย่างไงมันก็ได้ทั้งนั้นจากเดือนพุดสระแล้วก็เราเราแปลอย่างเงี้ยนะจากเดือนยี่ มีเดือนวิมีเดือนหกอยู่ห่างสามเดือนหรือบอกว่าเดือนหกเนี่ยเดือนหกเนี่ยอยู่หลังจากเดือนยี่เนี่ยสามเดือนอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าเราบอกจากเดือนถึงเนี่ยมันไม่มีบาลี ع, มันไม่มีคําว่าถึงใช่ไหมจากเดือนยี่ถึงเดือนหกสามเดือนอย่างเนี้ย <g> ก <ül s 2> ็ไม่มีคําว่าถึงม <fold ly> ันมีแต่จากเ <6 S 2> ดือนหกเดือนหกมีอยู่ มีเดือนหกห่างจากเดือนยี่สามเดือนจากเดือนยี่ไปในสามเดือนอย่างนี้ก็ได้นะจากเดือนยี่ไปในสามเดือนมีเดือนหแปลสำนวนไหนก็ได้ให้รู้ก็แล้วกันว่าเดือนยี่กับเดือนหกห่างกันสมเดือนจากเดือนยี่ไปสามเดือนมีเดือนหก ในเดือนทั้งหลายไม่อืมในเดือนทั้งหลายเพราะสามอ่ะเขาต้องใช้เดือนทั้งหลายมันไม่ใช่หนึ่งเป็นบกหัวโปดสัตมีอืแต่ถ้าบอกว่าถ้าสมมุติว่าคุณไปทํางานตั้งแต่เดือนยี่ถึงเดือนหกจะทํากี่เดือนนะถ้าเขาบอกว่าคุณไปทํางานในระหว่างเดือนยี่ถึงเดือนหก ในระหว่างเดือนยี่ถึงเดือนหกก็คือทำแค่สามเดือนคือเดือนยี่กับเดือนหกแล้วก็ไม่ต้องทำในระหว่างให้ทำ <S 2> <S 2> <S ในประโยคบาลีแต่ไม่มีคำว่าถึงมันมีถ้าจะใส่มามันจะใส่ว่ามีไม่ได้ใส่ว่าถึงถ้าเราเห็นจากแล้วมัจะแปลว่าถึงจากนี่ถึงนี่แต่บาลีไม่มีคำว่าถึงมีแต่จากเอาละดูต่อไปนองนงกับนอหนูไม่ผิด ไม่แตกต่างนอเนนก็ได้นอหนูก็ได้เขียนนอเนนก็ได้เขียนนอหนูก็ได้มีใช้ทั้งสองอย่างเนี่ยนี่ก็พยายามเขียนสะกดให้ดูทั้งสองอย่างตัวหนึ่งใช้นอเนนตัวหนึ่งใช้นอหนูไม่แตกต่างกันใช้ได้นอเนนก็ได้นอหนูก็ได้เขียนน้อยหน่อย <c oughs>